ใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมได้ทั่วไปตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดมีใช้ใช้เฉพาะสาหรับการเจริญสมาธิเท่านั้นอินซีแปลว่าสภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของตนคือธรรมะที่เป็นเจ้าการในการทาหน้าที่อย่างหนึ่งหนึ่งในที่นี้หมายถึงเป็นเจ้าการในการทาหน้าที่กาจัดกวาดล้างอากุศลธรรม ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามเช่นความเพียนกำจัดความเกียร์คร้านทำให้เกิดความพร้อมในการทำงานและปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปได้กิจปรือหน้าที่ของอินทรีย์ห้ามีใช่มาในพุทธพจน์โดยตรงแต่ปรากฏในวิสุทธิมรรคซึ่งสรุปมาจากบาลีแห่งคุตกานิกายปฏิสัมพิามรรคเป็นต้น ความหมายของอินทรีห้าอย่างนั้นท่านแสดงไว้พอสรุปได้ดังนี้หนึ่งศรัทธาเรียกเต็มว่าสัทธินสีพึงเห็นได้ในโซดาปฏิยังคาสีว่าโดยสาระก็คือศรัทธาในตถาคตะโพธิหรือตถาคตะโพธิศรัทธานั่นเอง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 วิริยินสีพึงเห็นได้ในสัมมาประธานสีบางแห่งว่าความเพียรที่ได้ด้วยปรารบสัมมาประธานสีหรือตัวสัมมาประธานสีนั่นเองบางทีก็พูดให้สั้นลงว่าความเพียรเพื่อละอากุศลธรรมและทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมการมีความกล้าๆแข็งขันบากบันมั่นคง ไม่ทอดทุระในกุศลธรรมหน้าที่ของวิริยะคือปักขหะการยกจิตไว้ความหมายสามัญว่าความเพียรพยายามมีกำลังใจก้าวหน้าไม่ท้อถอยสสติเรียกเต็มว่าสตินสี พึงเห็นได้ในสติปัฏฐานสี่บางแห่งว่าสติที่ได้ด้วยปรารบสติปัฏฐานสี่หรือตัวสติปัฏฐานสี่นั่นเองบางทีให้ความหมายง่ายลงมาว่าการมีสติการมีสติครองตัวที่ยวดยิงสามารถระลึกนึกทวนถึงกิจที่ทำคำที่พูดแล้วแม่นานได้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 สมาธินี่พึงเห็นได้ในฌานสีบางแห่งว่าหมายถึงตัวฌานสีนั่นเองหรือพูดอย่างง่ายได้แก่การทำภาวะลอยวางให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกะขะตาแห่งจิตหน้าที่ของสมาธิคืออวิเคปะการทำจิตไม่ให้ฟุง้ง ความหมายสามาัญว่าความมีใจตั้งมั่นแน่วแน่ในกิจในสิ่งที่กำหนดข้อที่ห้าปัญญาเรียกเต็มว่าปัญญสีพึงเห็นได้ในอริยสัจสี่คือการรู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริงหรือพูดอย่างง่ายได้แก่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 เมื่อสติมั่นคงแล้วกำหนดอารมณ์ก็จะได้สมาธิเมื่อมีสมาธิดีแล้วก็จะเกิดปัญญารู้ข้อใจมองเห็นซึ้งถึงโทษของอวิชชาและตันหาที่เป็นเหตุแห่งสังสารวัฏมองเห็นคุณค่าของนิพพานซึ่งเป็นภาวะปราศจากความมืดแห่งอวิชชาและความทุรนทุรายแห่งตันหาสงบประนีตีเยี่ยม รั้นเมื่อปัญญารูชัดเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยตนเองแล้วก็จะเกิดมีศรัทธาที่เป็นศรัทธาอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่าศรัทธาหมุนเวียนกลับเป็นสั์ทินสีอีกดังพุทธพจน์ทอนสุดท้ายว่าดูก่อนสารีบุตรอริยาสาวกนั้นแหลเพียงพยายามอย่างนี้ครั้นพยายามแล้วก็ระลึกอย่างนี้ ครั้นระลึกแล้วก็มีจิตมั่นแน่วอย่างนี้ครั้นมีจิตมั่นแน่วแล้วก็รู้ชัดอย่างนี้ครั้นรู้ชัดแล้วก็เกิดอภิสัต t h คือยิ่งกว่าเชื่ออย่างนี้ว่าธรรมะทั้งหลายที่แตก่ก่อนนี้เราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นย่อมเป็นดังนี้แหลดังเราสัมผัสอยู่กับตัวและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอยู่ในบัดนี้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 ให้รู้ช้าหรือรู้เร็วก็คืออินทรีห้ากล่าวคือถ้าอินทรีห้าอ่อนไปก็รู้ช้าถ้าอินทรีห้าแก่กล้าก็รู้ได้เร็วแม้แต่การที่พระอนาคามีมีแตกต่างกันออกไปเป็นประเภทต่างๆก็เพราะอินทรีห้าเป็นตัวกาหนดด้วยกว้างออกไปอีก ความร่างพร้อมและความหย่อนแห่งอินทรีห้านี่แลเป็นเรื่องวัดความสาเร็จเป็นอริยะบุคคลขั้นต่างๆทั้งหมดกล่าวคือเพราะอินทรีห้าเต็มบริบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์อินทรีห้าอ่อนกว่านั้นก็เป็นพระอนาคามีอ่อนกว่านั้นก็เป็นพระสกทาคามีอ่อนกว่านั้นก็เป็นพระโสดาบันประเภทธรรมานุสารีอ่อนกว่านั้ น, น, น, นอีอนก ก็เป็นพระโสดาบันประเภทสัทธานุสารีดังนี้เป็นต้นตลอดจนว่าถ้าไม่มีอินทรีห้าซสเลยโดยประการทั้งปวงก็จัดเป็นพวกปุถุชนคนนอกมีคำสรุปว่าความแตกต่างแห่งอินทรี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 และการที่อินทรีย์เป็นเรื่องกำหนดประเภทของอริยบุคคลคำพีปฏิสัมพิธามักแสดงอากุศลธรรมฝ่ายตรงข้ามที่อินทรีย์หจะกำจัดเป็นคู่คู่จะยกมากล่าวไว้พร้อมทั้งหน้าที่หรือกิจของอินทรีย์เหล่านั้นซึ่งได้กล่าวไว้แล้วอีกครั้งหนึ่ง 1. ศรัทธาเป็นใหญ่ในหน้าที่ น้อมใจดิ่งหรือปลงใจให้กำจัดอกุศลคือความไม่เชื่อถือ 2. วิริยะเป็นใหญ่ในหน้าที่ประคองหรือคอยยกจิตไว้กำจัดอกุศลคือความเกียดคร้าน 3. ส, สติเป็นใหญ่ในหน้าที่ คอยคุ้มหรือดูแลจิตกําจัดอกุศลคือความประมาทสสมาธิเป็นใหญ่ในหน้าที่ทำจิตไม่ให้สั้นสายกาจัดอกุศลคืออุทธธจักห้ 5. ปัญญาเป็นใหญ่ในหน้าที่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 แต่ถ้าวิริยะแรงสมาธิอ่อนก็เกิดความฟุ้งซ่านเป็นอุท ธ, ธัจจะเพราะวิริยะเข้าพวกกันได้กับอุทธัจจะเมื่ออินทรีย์สองคู่นี้เสมอการปฏิบัติธรรมก็เดินหน้าได้ผลดีหลักนี้ท่านให้นำมาใช้กับการเจริญสมาธิด้วยอย่างไรก็ตามท่านว่า ถ้าเจริญแต่สมาธิอย่างเดียวล้วนคือบำเพ็ญสมถะถึงศรัทธาจะแรงกล้าก็ได้ผลเกิดอัปนาสมาธิได้หรือสมาธิแก่กล้าก็เหมาะแก่การเจริญสมาธิอยู่ดีตรงข้ามกับในการเจริญวิปัสสนาถึงปัญญาจะแรงไปก็ไม่เป็นไรเพราะกลับจะเกิดความรู้แจ้งดีด้วยซ้ำนี้เป็นกรณีพิเศษ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 และข้างโกศชะชาการยกจิตข่มจิตต้องอาศัยสติทั้งนั้นทั้งนี้ท่านอ้างพุทธพจน์ที่ว่าสติมีประโยชน์ต้องใช้ทุกที่ทุกกรณีและสติเป็นที่พึ่งที่อาศัยของใจพุทธพจน์นี้อยู่ในตอนว่าด้วยโพชงซึ่งมีมาในสังยุตตินิย มหาวาระวักเมื่ออินทรีย์บางอย่างแรงไปบางอย่างอ่อนไปตามปกติต้องแก้ด้วยการเจริญโพชงข้อที่ตรงเรื่องกันเช่นวิริยะแรงไปแก้ให้ลดลงด้วยการเจริญปัสสิสัมโพชงเป็นต้นดังจะกล่าวถึงในตอนว่าด้วยโพชงข้างหน้า เรื่องการปรับอินทรีย์ให้เสมอกันนี้จับความมาจากวิสุทธิมรรคเข้าใจว่าความคิดในการวางหลักนี้ท่านคงตั้งเข้าจากพุทธพจน์ว่าให้ตรักชัดถึงความสมเสมอกันแห่งอินทรีย์ที่วินยปิดกและอังคุตระนิกายชะกานิบาตตามหลักทั่วไปที่กล่าวแล้วนั้น บุคคลต้องฝึกอบรมพัฒนาอินทรีย์ครบทั้งห้าจึงจะปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปได้อย่างไรก็ตามก็มีกรณียกเว้นซึ่งไม่ฝึกอบรมพัฒนาอินทรีย์ครบทั้งหมดจะฝึกอบรมพัฒนาเฉพาะอินทรีย์ที่จำเป็นหรือจำเป็นที่สุดกรณีเช่นนี้เป็นไปได้ดังมีพุทธพจน์ยืนยันอยู่เฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติเพื่ออย่างรู้สัจธรรม อันเป็นจุดหมายสูงสุดการฝึกอบรมพัฒนาอินทรีย์เพียงสีอย่างเป็นไปได้และในกรณีนั้นศรัทธาเป็นอินทรีย์แรกที่อาจเว้นเสียไม่ฝึกอบรมไม่พัฒนาขึ้นมาก็ได้ภิกษุทั้งหลายเราเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอินทรีย์ีอย่างภิกษุผู้ิินอาสวะแล้ว ยอมพยากรณอรหัตผลได้อินทรีสีอย่างไหนได้แก่วิริยินทรีสตินทรีสมาทินทรีและปัญญินทรีถ้าจำเป็นต้องลดลงอีกข้อต่อไปที่ลดได้คือสติดังพุทธพจน์นี้ภิกษุทั้งหลาย เพราเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอินทรีย์สองอย่างภิกษุผู้ศินอสวะแล้วย่อมพยากรณ์อารหัตผลได้อินทรีย์สองอย่างไหนได้แก่อริยาปัญญาและอริยวิมุตติอริยะปัญญาของภิกษุนั้นนั่นหละเป็นปัญญยินทรีย์ของเธออริยวิมุตติของภิกษุนั้นนั่นหละเป็นสมาทิินทรีย์ของเธอ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 ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วย่อมพยากรณรหัตผลได้อินทรีหนึ่งเดียวอย่างไหนได้แก่ปัญญียีที่มาพุทธพจน์ทั้งหมดจากสังยุตตนนิกายมหาวารวัตที่ว่าฝึกอบรมเฉพาะอินทรีที่จำเป็นเพียงสี่หรือสามหรือสองหรือหนึ่งนี้ไม่ได้หมายความว่า ไม่ต้องมีอินทรีย์ที่ไม่มีชื่ออยู่ด้วยเสียเลยทีเดียวความจริงก็ยังมีและใช้อินทรีย์ครบทั้งหมดแต่อินทรีย์เหล่านั้นเป็นเพียงตัวแอบอิงปล่อยเกิดตามเจริญตามอินทรีย์ตัวยืนที่จำเป็นและมีอยู่พอเท่าที่จะต้องใช้ประโยชน์ไม่ต้องตั้งใจฝึกอบรมพัฒนาให้ชัดเจนเด่นขึ้นมาดังตัวอย่างพุทธพจน์ตรัสถึงปัญญาว่า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 พญาสีหมฤุคราชชาวโลกกล่าวว่าเป็นยอดแห่งสัตว์เหล่านั้นด้วยความแข็งแรงด้วยกําลังความเร็วด้วยความกล้าหาญฉันใดโพธิปัจกิยธรรมคือธรรมะที่เข้าข้างหรือช่วยอุดหนุนการตรัสรู้โพธิปัจกิยธรรมเหล่าหนึง่งเหล่าใดบรรดามีปัญญีสีก็เรียกว่าเป็นยอดของธรรมะเหล่านั้นในข้อที่เป็นไปเพื่อโพธิ ฉนนัันนน้โธิปักียิยธรรมในที่นี้หมายถึงอินทรีห้ายังมีข้ออุปมาอื่นๆอีกทํานองนี้หลายอย่างเช่นเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างเป็นยอดของรอยเท้าสัตว์บกเหมือนจันแดงเป็นยอดของไม้แก่นหอมเหมือนต้นว่าต้นปาริชัดต้นแค่ไฟตต้นโกดสิมพลี คัมภีรุ่นหลังแห่งหนึ่งคือมังคลัธทีปนีกล่าวความสำคัญของปัญญาไว้อย่างไพเราะว่าแท้จริงในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่ช่วยให้บรรลุนิพพานปัญญานี่แหละประเสริฐสุดธรรมะที่เหลือย่อมเป็นบริวารของปัญญานั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนกูตาคารคือเรือนชั้นมียอด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 เมื่อใดอริยาญาณเกิดขึ้นแล้วแก่อริยส า, าวกเมื่อนั้นอินทรีสีจึงจะตั้งได้ที่จึงจะมั่นลงได้ฉันนั้นเหมือนกันอินทรีสี่อย่างไหนได้แกสัตธินสีวิริยินสีสตินสีและสมาธินสีสำหรับอริยส า, าวกผู้มีปัญญาศรัทธาวิริยาสติสมาธิ ซึ่งเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวได้ที่